ท่า น, นทําความเพียรเรียนรูป้ปรากฏการณ์ของความทุกข์เนี่ยมันเป็นเรื่องจําเป็นส่วนหนชีวิตมากกว่าเรื่องอื่นเพราะว่าถ้ามีศึกษาไม่ทําความเพียรเรียนรู้ก็จะไม่เกิดปัญญาว่าอะไรเป็นอะไรชีวิตเนี่ยเราไม่รู้จักว่าอะไรเป็นตัวทุกข์คือตัวทุกข์จริงๆเนี่ยกว่าจะรู้จักมันยากมาก ที่นี้รู้ด้วยปัญญารู้ด้วยตัณหารู้ด้วยสัญญารู้ด้วยสังขารมันต่างกันสัญญาคือความจำถ้าเป็นความจำก็คือความทุกข์ที่เป็นทุกขเวทนาอย่างเดียวถ้าเป็นสังขารก็ความตรึกตรงเอาตามอาการที่ปรากฏณปัจจุบันถ้าเป็นปัญญาเกิดขึ้น จะเห็นการกดปลาการดับไปของทุกข์ด้วยถ้าเห็นทุกข์เนี่ยด้วยปัญญาจะเห็นการดับไปของทุกข์มันนี้เหมือนสัญญาสัญญาเป็นความจำแล้วก็ออกจากทุกข์ไม่ได้สังขารเป็นความปลงแต่งเอาไปอามาก็เหมือนเอาสีขาวไปไป้ายทับสีดาสีดาก็กลายเป็นสีขาวแทนที่เราจะสีดำออกเราไม่ได้ อ, ออก ดังนั้นแทนที่เราจะรู้แบบผิวเผินตื้นหรือลนในวงกว้างเราก็มารู้ในวงลึกเชิงประจักษ์คือต้องสัมผัสกับสภาพธรรมที่มันเป็นทุกข์กันจริงๆแต่พยายามไม่ให้มันเข้าไปอยู่ในทุกข์คืออย่างที่พระพุทธองค์ตรัสไว้นีน่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ ม, มีอะไรดับไปนอกจากทุกข์เกิดทุกข์ดับ ที่นี้เขาก็วางเรียงหลักสูตรการศึกษาเอาไว้ดีมากเราสังเกตดูดิเริ่มต้นจากการพูดถึงอ น, นิสงส์อ น, นิสงส์มันเป็นยังไงปฏิบัติธรรมเนี่ยคือความไม่เดือดเนื้อร้อนใจแต่ในเบื้องต้นก็จะเป็นกราบยศสรรเสริญชื่อเสียง คือจเจริญสติปฏิบัติธรรมมีลาบมียศมีสารเสริญมีชื่อเสียงที่เขาเรียกว่าเป็นเปลือกของพรหมจรรย์เป็นยังไม่เป็นเป็นเปลือกนะเมื่อเราจะหาแก่นไม้เนี่ยในเบื้องต้นเราจะได้เปลือกมันได้กระพี้มันอันนี้คือเหมือนกันแทนที่จะเข้าถึงความเป็นวิมุตติหลุดพ้นเราก็จะเริ่มได้เออเดิมมีเสียงสารเสริญเย็นยอมีความเคารพสักการะ จากผู้อื่นนะที่เห็นประโยชน์นะเนี่ยเห็นนักพรดนักบวชทั้งหลายเขาจะมีเรื่องแบบนี้ทีนี้พอพัฒนาไม่หยุดยั้งนะเขาไปอีกหน่อยก็จะเจอความสุขซึ่งเป็นความสุขที่เป็นแบบความสบายนะเป็นความสบายความสบายในหมายถึงต้งสบายกายสบายใจสบายกายสบายใจก็คือ เป็นไปตามรูปแบบของการเจริญสติตามหลักอริยมรรคคือเมื่อมีสติขึ้นมาระดับหนึ่งเวลาลงมือฝึกฝนพัฒนาไปก็จะเริ่มมีสมาธิทิเนี่ยคือพอเข้าใจถกูกตั้งใจทำสมมาสังกปะสมมาวาจากรรมันตะอาชีวะเนี่ยจะเริ่มมา คือมันจะเริ่มมีความสะดวกสบายกายขึ้นมาก่อนนะเป็นชีวิตที่ไม่ได้ทุกตุลากานไม่ได้ยงยากเหมือนเมื่อก่อนนะนะเริ่มเป็นชีวิตที่มันเป็นสัมมาทิฐิคือมีความสะดวกร่างกายเนี่ยอืมคิดก็ไม่ได้คิดออกไปนอกตัวเป็นสัมมาสังกปะความคิดเนี่ยเกิดจากถ้าเป็นในปทโพชฌงก็เป็นเรื่องสมาสังกปะสมา คือมองก็ามาข้างในเนียเป็นธรรมวิจัยเป็นการสังเกตอารมณ์ตัวเองมองก็ามาข้างในเนี่ยก็จะเริ่มเห็นเนามันเป็นอย่างนี้เองเนาะอืมตัวสัมมาสังกปะเนี่ยสัมมาวิจาสัมมากรรมตะคือมันเริ่มเป็นการประกอบการเรียนรู้ชีวิตกันใช้การกินการดื่มที่มันเป็นสัมมาวิจาสัมมากรรมตะ แต่ถ้าทางโลกก็เริ่มมีความสะดวกสบายขึ้นมีลาบมียศมีสะละเสริญทางโลกนะยังไม่เรียกว่าสุขแล้วเนี่ยมีลาบมียศมีสะละเสริญเหมือนสมมุติเทพผู้ไหนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคนนะมนุษย์เทวดาสะละเสริญเยนยอคือจะมีคนอำนวยความสะดวกให้เนะี่ยภาษาเราเรียกสมัยใหม่ มีคนอำนวยความสะดวกให้เทวดาสนับสนุนเขาเห็นด้วยที่ถ้าพัฒนาไปอีกหน่อยก็จะเป็นสัมสมาวายมะสมาสติสัมมาสมาธิขึ้นไปนู้นนะในหลักกันน้นแต่ในหลักภาวะนี้ก็จะเป็นมีความสะดวกสบายก็จะเป็นมีความสุข เมื่อมันสะดวกทำความเพียนไปมากขึ้นเมื่อเกิดปิติเกิดสุขขึ้นมาโดยธรรมชาติมันนะมีความปีติมีความอบอิ่มมีความสุขขึ้นมาแต่ความสุขเนี่ยมันเกิดจากเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่วลาละสวด<ม>เกิดแต่สมาธินะไม่ได้เกิดจากความวิเวกธรรมดาที่แรกนี่คือมีความสุขอันเกิดจากความวิเวกวิเวก ค, คือความสงบสงัด เราอยู่ที่ไหนโอ้รู้สึกว่ามันสงบสงัดนะชีวิตเนี่ยแต่มาได้เป็นความวิเวกเพราะสงัดกายนะปีติยาจะวิราคาวิราคะคือความคลายกำหนัดราคะเนี่ยแปลว่ากำหนัดวิราคะแปลว่าคลายกำหนัดมันก็จะเกิดปีติเกิดความสุขแต่ส่วนมากคนเนี่ยจะประมาณเนี่ย ปฏิบัติทำแล้วก็เกิดปีติเกิดความสุขอืมแต่มันยังไม่เป็นวิปัสนาญาณยังไม่คือเข้าถึงภาวะที่ลึกซึ้งไปมากกว่านั้นเราก็เลยว่าเอ๊กูก็ว่ากูเข้าใจธรรมะนะแต่ทําไมมันหายไปอ่ะนี่ใช้ชีวิตมันก็สักพักก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมอะไรประมาณเนี้ยถ้าจิตมันไม่เป็นมรรคผลนะมันจะเป็นแบบนี้แหละถ้ามันไม่เข้าถึงมรรคผลเนะี่ย มันก็จะเกิดปีติเฉยๆก็เป็นเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรมแหละแต่มันเข้าไปตื้นเกินไปคืออริยสัจมันยังไม่สุดซอยเวลาเราเดินเนี่ยมันจะตื้นๆหน่อยๆเออตื้นๆหน่อยๆระดับนี้ความทุกข์ที่อยู่ข้างนอกนี้ก็ดับได้ความคิดงุนหงิดพุ่งซ่านก็พอดับไปได้แต่ว่าจะไปเห็นอุปทานขันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องพัฒนามากกว่านั้นอีก มันถึงจะไปรู้ลึกเข้าไปนั่นขึ้นอยู่กับตัวสติสัมปชัญญะของเราว่ามันมีสมาธิมากแค่ไหนค่ไหนถ้าตามหลักใจเสียขาก็คือฝึกสติรละลึกรู้แล้วก็ทำให้มันเป็นสมาธิมันหนักแน่นพอหนักแม่นแน่นแล้วก็เอาความมีสมาธิมีสตินี่รวมกันเป็นหนึ่งมันก็จะกลายเป็นปัญญาก็คือเมื่อไดก็ตาม ที่สมาธิอันนี้สามารถไปตัดความปรุงแต่งได้ตัดความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นได้มันก็เป็นปัญญาดนะังนั้นปัญญาจึงเกิดจากการฝึกตัวรู้ที่เป็นสติแล้วมันหนักเป็นสมาธิเราไม่ต้องไปปฏิบัติตามอะไรก็ได้นะฝึกสติให้เป็นสมาธิแล้วเป็นปัญญาก็พอน่นั้นเองดนั้นกันที่ได้ฟังในวงกว้างเรื่องนั้นเรื่องนี้สุดท้ายสิ่งที่ฟังเยอะๆนนะ เป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยเป็นเรื่องอันนี้เรื่องรู้สึกตัวที่ทํามากเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราทําความรู้สึกตัวกว่าจะได้มามีความสันโดษมีอุเบกขามีสมาธิมีศีลมีอกินน้อยนอนน้อ ย, อยโดยธรรมชาติกัเนนะี่ะมีความข ย, ยันมีอะไรอยู่ในนี้นะเพราะการที่จะเอาความรู้สึกตัวประคองได้เนี่ยโมันต้องใช้ทุกอย่างมันเหมือนเพชรเนี่ย ว่าจะให้มันออกแสงได้เนี่ยก็ต้องเจริญในต้องอดต้องทนต้องสังเกตต้องอะไรโอ้ยมากมายหลากหลายมันถึงจะออกแสงได้เหมือนกันจิตเนี่ยสติกว่ามันจะเป็นมหาสติปัะฐานได้มันต้องอาศัยกันนะใส่ใจเหมือนมากบางคนไปขัดกับสิ่งที่หนักหนันะขัดกับอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งความอึดอัดขัดเคือง อเอาไปขัดกับอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งเห็นความสบาย อ, อกสบายใจแล้วแต่คนนะเมื่อคนขัดกับความอึอดขัดเคืองก็ได้อารมณ์ถ้ายิ่งเราสู้กับอารมณ์ที่หนักเท่าไหร่เนี่ยปัญญาเกิดยิ่งจะมีความทราบซึ้งมากนะสภาวะธรรมเนี่ยยังไปเชียงใหม่วันนี้การปฏิบัติธรรมมันก็ลํำบากมากคือออกจากถ้าเป็นเราอ่อนแอเนี่ยออกจากเต็นท์ไม่ได้อะ่ะ ออกจากเต็นท์ไม่ได้ต้องใส่เสื้อกันฝนต้องถือร่มเดินจงกรมขี่โคลนก็เต็มเดินไปเดินมาเขาบอกว่าก่อนหนะ้านั้นสองอาทิตย์เราไปอีกอาทิตย์หนึ่งเป็นสามอาทิตย์ฝนตกไม่หยุดแต่ก็จำเป็นมองไปทาไหนก็มีแต่คนทำความเพียร น, นั้นเวลามีความเพียรเยอะๆตั้งใจทำต่อเนื่องจดจออ สัจธรรมมัก็ต้องปรากฏอยู่ดีเหมือนกับเราถูไปเรื่อยๆถูไปเรื่อยๆสักพักมันต้องขึ้นเป็นวาวับเป็นมันขึ้นมาอย่างที่เราเห็นเนะ่เวลาปฏิบัติธรรมครูตุย้ยแกบอกว่าโอ้ตั้งแต่แกปฏิบัติมาแกไม่เคยมีความก้าวหน้าข้างไหนเท่าข้างนี้แล้วก็เป็นเป็นวินาทีสุดท้ายของการแสดงธรรมด้วยตอน เ, เช้าเช้าเวลาสรุปอ น, นุนัี นะชีวิตเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่โตมโหฬารเลยผมคือถ้ามันมีทวนกระแสะมากมีความเพี่ยนมากต่อสู้มากเนี่ยใจมันจะไปแบบก้าวกระโดดนะเนี่ยแล้วพวกนี้เขามีความตั้งใจเนะขาอาจารย์ดรสมชัยพวกเลยคือความเพียรพยายามเขาสูงเมื่อวานคุยกับอาจารย์ที่มาจากศิ ล, ลรพศาสตร์มอขอนะ ดูสึกรู้สึกว่าเขามีความเพียรพยายามมากพี่ชายปฏิบัติธรรมน้องสาวเป็นคนแสวงหาปฏิบัติธรรมตัวเองเป็นอาจารย์อยู่กลางๆ ก, ก็เลยพลอย พ, าพ้าพลอยฝนไปคือแต่ก่อนเขาไม่ค่อยได้สนใจเขาเป็นอาจารย์ของอาจารย์อาดเนี่ยอาจารย์อาดเรียนศิลปะเขาเขาทีนี้เวลาเขามาคุยด้วยมาศึกษาด้วยเนี่ย ผู้เรียนศิละปะก็เหมือนมีความเข้าใจในชีวิตระดับหนึ่งคือจะพ่อชอบพูดถึงเรื่องสมาธินะะคือมีความเพียรบากบั่นอยู่ระดับหนึ่งก็จะสนุกสนานเพลิดเพลินกับมีเหมือนที่อาอจารย์ที่ทางเพชรบูลนะที่ปฏิบัติธรรมแต่ท่านเป็นนักวาดภาพมา ก, ก่อน วาดภาพไปวาดภาพมาคืเลยบวชบวชแล้วก็นี่แหละใช้เรื่องวาดภาพเรื่องอะไรเนี่ยเป็นสื่อในการสอนธรรมอ้าวเดี๋ยวมีกลุ่มวาดภาพมาอีกแล้วก็ให้วาดภาพมาแล้ว น, นี้ไปนะแล้วก็ไปทําที่ดีทําเจดีวิจิตพิจารณาตามแบบนักวาดภาพทำมันก็จะเพลินไปนะกับสิ่งเหล่าเนี่ยท่านคนมีความรู้ ความสามารถทั้งไหนถ้าหากว่าเราล้างใจไม่หมดสิ่งนั้นก็จะเริ่มตามเข้ามาเราเป็นนักคอมพิวเตอร์หรือเป็นนักอะไรก็ทนะําน่ะจิตรกรรมฝาผนังอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะสื่อแสดงออกไปทางนั้นแต่เมื่อก่อนมันอาจจะเป็นเรื่องอื่นนะกิเลสตัณหาราคะแสดงออกไปต่อมาก็เออเริ่มเป็นธรรมะเป็นธรรมะ สื่อแสดงออกไปสื่อแสดงทำพระธรรมออกไปนะเพื่อเหมือนทางเดินน่ะแต่ว่าเมื่อก่อนเป็นรถโกโลโกโศวิ่งต่อมามันรถอย่างอื่นวิ่งเนี่ยมันก็เริ่มตัง้งแต่ใจเรานี่แหละใจเราเป็นอย่างไรเมื่อก่อนใจเรามีกิเลสเดินเส้นทางสายเนี้ยต่อมาเวลาฝึกสติอาให้สติมันเดินเดินทำเส้นทางาใจเนี่ยคล้ายๆแบบนั้นนะ่ะ เห็นเขาพูดเขาสนใจเรื่องธรรมะกําลังตามรอยพระอาหารหันต์ตามรอยพระอาหารหันต์ตามรอยผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่า ง, งพระเดชพระคุณหลวงปู่มั่นเนี้ยตามรอยหลวงปู่มั่นไปท่านไปวัดไหนบ้างละ่สะสกคนครเนี่ยเขาไล่มาตั้งแต่อุบลราชธานีตั้งแต่บ้านเกิดท่านนน ทำ ม, มาเรื่อยเรื่อเรื่อยเรื่ยรื่อยทำไปแต่เคยได้ยินเรื่องวัดสมมานั้นเกิดในแวะเข้ามาพูดคุยสนทนาด้วยอะไรประมาณนั้นไปหลายๆที่ไปที่โน่นที่นี่ไปเจอสภาพสิ่งแวดล้อมบ้างเจอกันสนทนาปราใยบ้างอะไรประมาณนี้นเขาบอกว่าอยู่ในที่สงบส ง, งัดวิเวกเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าอยู่ในสังคมมีแต่ความ สนุกสนานเพลิดเพลินมีความหลงนะทีนี้พออยู่ในความสงบมากขึ้นก็จะมีความวิเวกวิเวกก็จะมีธรรมสากรฉาการสนทนาธรรมทําการการเลนธรรมะสวนังสนทนาธรรมแล้วก็มีการฟังธรรมมีฟังธรรมแล้วก็สนทนาธรรมนั้นมันก็เป็นที่มาของการเกิดปัญญาเกิดสติ คือการลึกรู้